มาดูคำอธิบายนะทีนี้ว่าคำอธิบายนั้นไม่ยากจริงนะเรื่องยากเฉยขคำอธิบายสบายเราก็ว่าเหมือนคำบางคำการขาร่าสองร้อยสามอานนะครับอันดับนะการขาาสองข้สามอันข้อที่แปดนะครับการอธิบายอริษาสิขาบทนะครับพึงสราบอธิบายสิขาบทที่แปดชื่อว่าอันตรายุกตธรรมข้อคาว่า เป็นฐานะที่ขัดขวางต่อการเข้าถึงสวรรค์นั้นิพพานอันตรายนิ่งกระทนั้นนะมี5้าอย่างคือกรรมกิเลสวิบากอุปวาทะและการละเมิดพระบัญญัตินันตรายิ่งกระทำห้าอย่างนะั้นอริธาพิสุทธิ์หมายอันตรายยิ่งกระทำอันได้แก่การละเมิดพระบัญญัตินะจึงกล่าวว่าอันตรายยิ่งกระทำที่เมื่อพระเจ้าได้ทรงสั่ไว้แล้วบรรดาที่มีอยู่ทั้งหมด ไม่สามารถที่จะทําอันตรายแก่ผู้ซ้องเสร็จได้ตอนนี้อันตรายนะแก่ผู้ซ้องเสร็จได้เนื่องจากท่านไม่เห็นโทษในการละเมิดการเสร็จเมทุนเพราะมีความเห็นว่าภาษาของสตรีก็ควรเหมือนกับภาษาของภาคปุระเป็นต้นที่อ่อนนุ่ม ค, คำว่าด้วยแห่งปริยาได้แก่ด้วยเหตุนหนาห ย, ยาเป็นต้นว่า หมายถึงว่าพระองค์ตงไว้นะหรือในปริยาด้วย ห, หลายอย่างนะครับการเสียบได้กับท่อนกระดูกที่ไม่ติดเนื้อนะครับมีรสอร่อยน้อยเป็นต้น ค, เนนคำเป็นต้นว่าคาเป็นต้นว่าโสภิกุพิกขุหีความว่าพิสูจ์ที่ได้เห็นหรือได้ยินควรว่ากลาตาวเตือนอย่างนี้สามครั้งว่า ม, มายสมาอิวาว่าจก ละนะครับอรันจักเนั้ษษษษษตนเตมปิเสวะโตตระยายาคุณจะเรียกพูดอย่างนี้ละนะก็ตัดเตือนเหมือนกับในศิขาบทนะครับก็แต่การเปรพื่อนอย่างนั้นย่อมเป็นไปเพื่อนตรลายแก่คุณผู้ซอ่องเศษอย่างนั้นเมื่อตัดเตือนเช่นนี้แล้วยังไม่ยอมสนับความเห็นเดิมต้อง บ, บัตภูกดนะครับรวมทั้งผู้วิสุทธิ์ที่ได้เห็นและได้ยินแล้วไม่ยอมตัดเตือนก็นกต้อง บ, บัตภูกดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หา ลูกขาได้เห็นได้ยินก็ต้องไปบอกไปตักเตือนนะครับ น, นะควรนําหรือว่าลากตัวไปนะ <c oughs> ลากที่สูบนั้นเข้ามาข่ามกลางสงนะครับตักเตือนเช่นนั้นมาอีกครั้งนะครับสามครั้งไม่ใช่เหรอตักเตือนท่ามกลางสงสามครั้งกันใช่ไหมนะครับ <c oughs> มาในอีกรอบนะครับนี้นะแม้ท่ามกลางสงนั้นก็คงเปน็นอาบัติเสมอ ก, กันแกะที่สูบนะในกรณีที่ไม่ยอกสถานความเห็นเดิม น, นะครับ แรกพิสูจน์ที่เหลือก็ในกรณีที่ไม่ยอมตักเตืองนะครับพอถึงขั้นนี้แล้วยังไม่ยอมสนับความเห็นสองควรสวดสมุภาคจนครบสามรอบนะครับด้วยยติจตุตกรรมอีกครั้งหนึ่งครั้งจบแล้วยังไม่สนับความเห็นต้อบัตรทุกกดอีกนะครับเพราะยะติและกรรมวา จ, จาสองคำรบแรกยติก็ทุกกดตัวหนึ่งกรรมวา จ, จาสองครั้งทุกกดสองตัวนะครับ ในเวลาจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องบัตรปางสิไม่ยากแล้วนะแค่ที่บายนะก็ต้องว่าการเตน ท, ท่าบรารส่งสามครั้งนะครับเห็นเกิดและประแพน่นอารบัตนะคะสิคราบแบบนี้ขุนพระเจ้าทรงปารกอริษาีิสุในเมืองสามวันี บัญญัติไว้แล้วเพรเหตุคือการไม่ยอมสนละความเห็นอังลามกเป็นสาธนาบัญญัติพิจุนีก็มีนะครับยาปัญญาพิุนีใช่ไหมถ้าขายได้ท่องนะครับติกาปตาจิตดีนะครับติการตาจรนีๆเป็นยังอ่อ น, นกับอนันติการไม่เกี่ยวการใช้นะครับตัวเองไปมีความเห็ผิดตัวเองดลงกรรมตัเองนะก็ละอามบังตัวเองนะครับติการตาจิตดีคือกรรมนะั้นเป็นธรรมนะครับ ถ้าลงกรรมอะไรทถูกต้องเป็นธรรมทุกอย่างนะท่านเ ข, าข้าใจสงสัยถึงความผิดแต่ยังไม่ยอมสณะก็ต้องไปอีกท่านนะส่วนในกรณีที่กรรมไม่เป็นธรรมเป็นติการทุกตกกรรมไม่เป็นธรรมก็เข้าอาจจะยังอะไรนะทําให้พร้อมหน้าเป็นต้นไม่เอาตัวแกเข้าไปนนี้นะครับแต่แกก็ผิดนั่นแหละนะแต่เขาทำำํากรรมหลังนะครับไม่เป็นธรรมเนี่ยก็ยังต้องมาทุกตกเป็นติการทุกตก เพราะอางนีกง้ก็ผิดอย่แล้วนะครับอาณาบัตรที่สุดไม่ต้องอาณบัตรเมื่อไม่ถูกสงสวดสมุท่านก็จะยังไม่ต้องไปอีกตีนะถ้ายังไม่ถูกสวด ย, ยังมากก็ทุกกดใช่ไหมครับทุกกดโดยตัตนนะ้แต่ตอนแรกนะนะแต่ตรงไปอีกตีต้องถูกสวดก่อนนะครับยอมสาะความเห็นนะครับโอ้เห็ยอมแล้วครับถูกสวดใช่ไหมแม้ครั้งที่หนึ่งแครั้งที่สองยอมการจะจบ สามรอบในรอบก็ไม่ต้องอานบัปาจิตตีและพิสุเป็นบ้า น, นะครับเป็นต้นก็ไม่ต้องอา่านบทสิขาบทนี้มีองคศาเหล่านี้คือหนึ่งเป็นกรรมที่เป็นธรรมนะครับแเป็นธรรมถูกต้องทางนะสองมีการสวดสมณุภาพสามไม่ยอมศาสนาทิฏฐิเมื่อเข้าองศาก็ต้องบัดปาจิตตีในสิกขาบทนี้นะครับสมุทานเป็นต้น เหมือนในสมุทฐานะสิกขาบทนะครับเป็นยังไงครับเอาผมจะบอกว่าข้อเนี้เป็นอาจิริย า, า, ยาต้องเขาจะทํามันจะทํ า, าทการ ย, ยอมรับนะเอายอมแล้วนะครับากายวาจาจริตนะครับข้อเนี้นยะ<า>เป็นข้อที่หกข้อเดียวครับกายวาจาจิต จิก็ยังนึดถืออย่างงั้นใช่ไหมไมายอมสณับที่ถีนะนครับกายวาจาคือไม่แสแดงออกมาไงเป็นอกคริยาใช่ไหมไม่แสแดงการยอมเลาออกมาด้วยกายหรือวาจานะครับเนี่ยนะมันก็เลยได้กายวาจาจิตนะครับเนี่ยที่บอกว่าเกิดเคลข่อนทางกายวาจาและจิตเป็นอคริยาแล้วมันจะทําการสนับที่ถีนะแสดงมาด้วยกายหรือวาจาสัญญาณไมออ่โม่งนะครับจิตสัจจะกลางนะ โลกับวัชชาเนี่นเป็นอคุโสลจิตอย่างเดียครับกายกรรมก็ได้วิชิกรรมก็ได้อกุโสลจิตเป็นทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นใจไม่พอใจใช่ไหมไม่ยอมสลาะครับเป็นทุม่มน่าเป็นทุ่มอยดดัง น, นี้แหละก็จบการขึ้นมาอริธาสิกฐาบทอันนี้จำอะไรหนะ้บุ๊ว่าถ้าเป็นสมัคราสนาสมุทาเนี่ ย, ยก็คือกายวาจารณ์จิตครับาาดี๋มันจะทวนอีกทีนะเกียรติสมุทาเนี่ยราเจึมาหลายสมุ้านะ ถ้าเป็นปฐมประลาชิสุมถานะครับสุมถานอะไรครับปฐมประลาชิปรนะาชิโคเลนอแร๋อกายกายจิตอันธินาทานสุมถ า, มากนกายจิตากายกาจิตากายจิตครับเอลกากะลุมมัสสุมถานอะไรนะชอน ใ, ใช่กาแล้วก็กายจิตนะครับจำนั้นเอลกกากะลุมมสสุมถานกายกายจิตแล้ก็กายจิตนะครับแล้วต่ออะไรอีกนะครับ ทานั่นสมุทาไม่ใช่นะปฐมกับถิ้นก่อนปฐมกับถินสมุทาถิ่นข้อแรกนะครับเพราะเป็นขีดยากนะลองนึกถึงนะ่ะปฐมกับถ uh ิ่นน่ะเก็บดิเล็กีิวไม่เกินสินวันน่ะมันต้องเอาพ่แม่ครับอะไรก็ไม่ยอมทำกายการเนรีกามีกายวาจาแล้วก็กายวาจาจิตข้าวกายวาจาแล้วก็กายวาจาจิตสองอย่างนะ พอไม่ยอมอธิษฐานด้วยกายหรือว่าวาจาใช่ไหมอธิษฐานผ้าด้วยกายก็ได้ทานข้าวมันได้ไม่ต้องการวาจาคู่ดไปเลยนี้นะทั้งกายวาจาแล้วก็กายวาจาจิตจะรู้ไม่รู้มันต้องตรงนั้นใช่ไหมเพราะนั้นเกี่ยวนะครับและก็อัตานะสุขาข้อที่เดินทางไกลนู่นกับมาตุชานี่ครับต้องมีการชั่งชุนชั่งชวนเข้อมันตะข้อมันตกี้น่ะกายวาจาครับมีวาจา ข้อห่าเตจการวาจาข้อหนึ่งถูกต้องเต่การวาจาข้อหนึงถะกรับเอาให้เรามันไม้องสี่ข้อเหน้าได้สีข้อนะครับในดาวมัวเราได้คือความจริงนะครับเพราะว่าเมตคีเนี่ยเป็นติการใช่ไหตรู้ไม่รู้ต้องเพราะฉะนั้นไหนวาจาจิตอย่างไม่ใช่ครับกายจิตครับกายจิตนะข้อข้อหนึ่งถูก เราอีกตัวไหนเนีกตัวะจ๊ะอีสองครับอีสองลอนึกถึงว่าต้องมีการเชิญชวนนะครับด้วยกายหรือด้วยวางจาก็ได้ใช่ไหมชวนเนี่ยแล้วก็มีการเดินทางไปร่วมกันก็คือต้องการใช่ไ้มครับเพราะร่างกายมันก็ต้องชวนๆอยู่แล้วนะกาวาจาจิตครับมันจะมีข้อตอนแรกกายอย่างเดียวถ้าเอาผ่าที่ไม่มีจิตใช่ไหมครับเพราะคนนี้เป็นติการนะ การอย่างเดียวก็ได้พอชวนด้วยการไปด้วยกายนะครับหรือการวาจาก็ได้ชวนด้วยกายด้วยวาจาไปด้วยกายนะครับถ้าฝ่าที่มีจิตก็ใส่จิตเพท่าไปนั้นเองครับว่าการจิตการวาจาจิตนะครับไม่ต้องแม่นไม่ได้นะครับถือว่าไม่ผ่านนะอย่างนั้นนะครับวินัยไม่ผ่านนะสูงของสูงท้าแลนนี้เขาไม่ผ่านนะครับจำจำไว้นะ เมตตี้นะครับที่เราเจอบ่อยเนี่ยมันจะมีเอาปฐมภูมิชีเข้าแรกก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อธินาธานสมุทฐานใช่ไหมนะครับใครจะจดไว้ก็ได้นะครับเนี่ยสมุทฐานัวนี้นะครับข้อแรกปฐมภูมิชีพข้อที่สองอธินาธานสุทฐานข้อที่สามวอิรักาลูมาใช่ไหมครับอคนแก่น่ะอิรักาลูมาข้อที่สี่อะไรบางนะทีเน่ยปฐมกับหินใช่ไหม เกษีข้อแรกเกษีจิวจนสิบวันนะครับปมระถินข้อที่ห้าอะไรอั้เป็นหลักๆใช่ใชเป็นหลักๆเนี่ยนะครับข้อที่ห้าอัฏฐานะสมุทฐานสมุทฐานเกี่ยนโดยทางกายจะมาตุคาอัฏฐานะที่ว่าสีมุกี้นะครับข้อที่หกก็เนี่ยสมมุทฐานะสมุฐานนะครับสมมุทฐานะสมุทฐานโดยข้อที่หกกายวาจาจิตสร้างด้วถึงเรื่องแล้วก็มันจะนึกออกว่าคืออะไร บอกว่าการวาจาที่พวกมีจิตไม่ยอมใช่ไหมแล้วก็ไม่แสดงการยอมมาด้วยการกวาจ า, านี่นะครับเนี่ย ส, สมุนภาคสุนทานนั่นเป็นฟังจะมีเถื่อยสุนทานอีานนนนกนะออ า, นานึ่งมรดกน่ะไอเถื่ยสรัทาสุนทานอที่ชักชวนกับอะไรนะหมู่เกวียนน่ะที่คุณเบนจรเดินทางไปร่วมกันใช่ไหมครับที่ ว, ว่าเถาื่ยสรัทธอันนั้นสุนทานเท่าไหร่ครับ สองนคล้ายค้างกับเดินทางกับมาตุคาแต่ว่ามันมีแค่จิตอย่างเดียวพวตอตจะรู้ทางรู้ใช่ไหมครับว่าเขาเป็นโจร น, นะนนนเพราะนั้นคะนั้นจะของเดินทางใจกับผู้หญิงมีสี่ใช่ไหมของเทางใจแต่โจรมีแค่มีสออันจะพื่อฝาดที่มีจิตมันก็จะได้การจิตแล้วก็การวาจาจิต yeah. นี่เนี่ยถ้านึกถึงความจริงอย่างนี้น ะ, ะนี้พอพูดถึงเนี่ยต่อไปมันต้องไล่ทั้งหมดนะ ครับสมุทานคนไไ น, น, น, น, น, น, น, นี้นะเอาเปง่ายๆสมุทราชนะสมุทรานรอมาครับคเต้อย่างนี้นะก็แต่ก็ตอได้ภาษาอะไรกอขนาดนั้นเลยไหมครับถ้าอันนี้เอาที่แบบที่เราเจอเอยอะๆนะให้เราเจอ